ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องห น, นีนรกตอนที่สิบเจดสำหรับตอนที่สิบเจ็ดนี่ก็มีสินห้าโดยเฉพาะแล้วอาจจะมีกำหมดสิบต่อท้ายอีกคือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นสินห้าควบกำบมดสิบ แต่ก็เป็นการมาเอิญอย่างยิ่งที่กำหนดสิบไม่มีสินะไม่มีไม่มีบทสุราอยู่ด้วยคือไม่มีข้อวสุราเันวันนี้ในตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องข้อสุราแต่ในการพูดต่อไเปน็นน้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะคว่าสุรามีไรนบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายรู้จักดีอยู่แล้ว และกโทษเขาสุราไมมีไรเป็นยังไงก็ทราบอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก่อนจะพูดถึงข้อว่าสุราไมมีไรการดื่มน้ำเมาสุราในเ็ลของกลัน่นไม่ีไรนี่ยังไม่เด็ดกลัน่นเช่นน้ำขาว อ, อุนั้ำตันเมาเป็นต้นก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่องการหนีนรกอย่างย่อไว้ก่อน คำว่าย่อ ก, ก็หมายความว่าย่ อ, อเฉพาะคำพูดแต่สูตรจริงๆเต็มอัตราการห น, นีนรกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไวัยตัดสัญญาอสามรายการซึ่งเป็นกิเลสใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ลงอบายภูมิสัญญาจริงๆมีความรู้สึกตามนี้ คิดว่าชีวิตนี้จะไม่ตายแล้วก็มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระอาริยสงฆ์ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือเลยและก็ระมอริอศีลห้าคือการรักษาศาีลไม่จริงไม่จังสักแต่ว่าสมาทานแล้วก็เลิกกันไปอย่างนี้ถือว่าคนตกอยู่ในขอบข่ายของกิเลสคือสัญชอ์ ที่คอยร้อยรัดบรรดาเป็นพุทธบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตนจริงให้โลภายาพงศถ้าเราจะหนีกันพระพุทธเจ้าแนะนําไว้ว่าให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายและสมเด็จพระจอมไตรยทรงแนะนําว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพวุงนี้ ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึ้งเราในวันนี้ไว้เสมอจะได้สร้างความดีความดีอันดับแรกที่สามารถจะดึงเราให้พ้นรกโชคราวนั่นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีการปฏิบัติตรงต่อสิน้นห้าถ้าเราษาสินห้าครบถ้วนอย่างนี้เป็นปกติ เท่านี้แลบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่คือหนึ่งนรกสองเปรตสามสุรกายสี่สติจชานจะไม่มีแก่ท่านทุกทุกชาติไปถ้าการเกิดของท่านยังมีกี่ชาติแดนเดี่ย4สีนี้ท่านยะไม่ได้กลับมาอีกบาปกรรมเก่าๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำไมแล้ว จะเป็นบาปหนักบาปไหนบาปเบาขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมิต่อไป <c oughs> ความจริงความรู้สึกการตัดรมณ์สามรายการนี้ก็รู้สึกก็ไม่ยากเพราคนที่มีปัญญาถ้าไม่ไร้สติสัมปชัญญะไม่มีความประมาทเพื่อการดื่มสุราละมีไร ก็เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าชีวิตนี้ตายแน่ด้วยความตายก็ไม่ใช่ต้องรอแก่ถึงตายท่านนั้นหลายผู้รับฟังก็เห็นแล้วว่าเด็กที่เกิดมาภายหลังเราตายไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไรหร่เหลือแต่เราเท่านั้นที่ความตายจะเข้ามาถึอเมื่อไรก็ไม่ทราบข้อนี้ก็เป็นของคิดถึงง่าย สำหรับพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีเราจะเชื่อก็เชื่อกันที่ศีลพิจารณาดูว่าศีลห้ามีประโยชน์กับเราไหมการฆ่าสัตว์ต่อชีวิตเราอาจจะชอบทําเขาก็ได้แต่ถ้าเขาทําเราบ้างเราก็ไม่ชอบถ้าเราเมื่อข้อ น, นี้ก็มีแต่ศัตรู ข้อที่สองการลักกานขโมยของของชาวบ้านนี่อันตรายใหญ่ก็มีกับเราลองคิดทั้งใจเราบ้างว่าทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยยากแต่ใครเขาทำแบบนั้นเข้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันแล้วข้อต่อไปคือการเมสมิมชาจารย์สามีพัญญาของเราที่เรารัก ถ้าใครมาละเมิดความรักใครจะพอใจไหมเราไม่พอใจถ้าไปทํากับเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็สร้างศัตรูวาจาโมสาวาดัดคนที่มีจิตสะอาด จ, จริงๆเขาไม่พูดโกหกหมดเทสเพราะเป็นปัจจัยให้เพื่อนที่รักเขาจะเป็นศัตรูกับเรา <c oughs> เ็าเกลียดน้าหน้าที่เราพูดไม่จริงในการเด่มสุรามีไร เป็นปัจจัยเกิดความระหมาททำชั่วทุกอย่างได้นี่ระบรดดาแต่พุทธบริษัททหลายถ้าเราเมิดสินมันก็ชั่วแบบนี้มีแต่ความเล่ร้อนรวมความในการจะรักษาสินเป็นของไม่หนักตอนนี้ไปก็ขอพูดถึงสิลข้อที่ <c oughs> ห้าเซมบล์สิงข้อที่ห้ายังกล่าวว่าสุรามีระยะมชะ ป, ประมาณฐานาเวีรมณี เราจะงดเว้นไม่ดื่มสุราแดะมีไรมันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มสุราและเมไรัยบมันดาถึนพุทธบริษัทถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านจริงๆเพื่อความเข้าใจถ้าพูดภาษาพระก็รู้สึกว่าจะนิ่มนวลเกินไปเข้าใจยาก เวลานี้กำลังคุยกับบรรดาญาโยมพุททบริษัทขอพูดภาษาชาวบ้านก็แล้วกันคนกินเหล้าด้ือคนกินสุราและเมรัยก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราและเมรัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมา ลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกันตามโบติเธออาจจะมีจริยานิ่มโนนมากพูดจามีเหตุมีผลทำกายงานดีพอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นเรียกว่าเมาพอเซนิดๆจิตเติมวันไหวสุราแปวลอกร้าสามารถกล้าทำความชั่วได้ทุกอย่าง ได้อารยธรรมเอาความชั่วทุกอย่างทําได้หมดกล้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความกล้าครั้งแรกก่อนที่จะซื้อเหล้าครั้งแรกจะตอนแล้วตัว อ, อีกหาว่เหล้าทั้งสุราเนี่มันแพงเกินไปรถเท่านั้นได้ไหมรถเท่านี้ได้ไหมตัว น, นี้ยังไม่กลา้าเพราะยังไม่ดื่มแต่พอดื่มเข้าไปมันมึงความกล้าปรากฏ ตอนนี้เอามาเลยเท่าไรเท่ากันหมดเท่าไรหมดไปนี้ความกล้าเกิดขึ้นแล้วแด่กล้านี้ไม่ใช่กล้าดีก ล, ากล้าสร้างความที่หายใข้ตนให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเงินมันสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทำความชั่วได้ทุกอย่างคนที่เคยดื่มสุรา แล้วเลิกดื่มสุราแล้วเขาไล่งานให้ทราบเพราเกลียดคนดื่มสุรามากเคยถามว่าสมัยที่คุณดื่มสุราคุณมีความรู้สึกยังไงเขาตอบว่าจริยาแบบนั้นที่ทําไปมันภูมิใจนี่เห็นได้ว่าคนมึนเมาสุราเนี่ยสามารถสร้างความเร็วได้ทุกอย่างตอนนี้โทษเรืกก่องการดื่มสุราเม่ไร อาตมาจะไม่พูดมากเพราะคนรู้จักอยู่แล้วไอ้เงินที่ดื่มราดาเมรัยที่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าเราจะเก็บไว้ไม่ใช้มันเลยเนี่ยเก็บฝาธนาคารไว้เข้าใจว่าดอกเบีย้ยจะงอกปีนี้ก็ได้หลายบาทแต่ว่าเราเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีนัก ก็ไม่เก็บไว้ละจะใช้แต่ใช้ซื้อกับข้าวซื้ออาหารการบริโภคให้ลูกไปโรงเรียนเอาเงินจำนวนนี้เสียค่าเล่าเรียนสขาถ้าลูกเรียนมัธยมถ้มาหาวิทยลัยไม่วิทยาลัยเข้าใจว่าสามารถจะช่วยรลกได้ดีอาตมาเองก็ไม่เคยดุมสุรามาตั้งแต่เกิดเั่าั้งหมดเวลานี้ยังไม่รู้รสสุราจริงๆเป็นยังไง และเขาดื่มสุรากันวันนะัทเทไรก็ไม่ทราบสมมติว่าเวลานี้ค่าของเงินมันตกหากว่าท่านจะดื่มสุราและเม่ไรสักวันละสิบบาทเข้าใจว่าไม่อยู่นะถ้าคอสุราถ้าคนที่ดื่มสุราได้ความจําเป็นอันนี้ไม่เป็นไรคนดื่มสุราคอสุรา จ, จริงวันละสิ บ, บาทไม่อยู่แนะ่สมมติว่าวันละสิ บ, บาท ถ้าสิบวันท่านต้องเสียไปร้อยบาทถ้าสามสิบวันท่านเสียไปสามร้อยบาทถ้าปีหนึ่งท่านเสียไปสามพันสามพันเศษสามพันหกร้อยสอเท่ไรก็ตามเป็นวันของปีรวมความว่าปีหนึ่งท่านต้องสูญเสียเงินไปเฉยๆสามพันบาทเศษถ้าวันละสิบบาทก อ, อย่างน้อย นอกจากนั้นยังเสียเวลาทำมาหากินอีกหากว่าท่านจะใช้เวลาทั้งเวลาเดื่มธุรนะน้ำไม่ไรไมาอยู่สร้างความเป็นสุขกั บ, กบลูกกับเมียเรื่รองกับผัวที่บ้านไม่ดีกว่าหรือหรือว่าเวลานั้นมาประกอบกิจกร ง, งานเล็ก ๆ, ๆน้อยๆชาวบ้านจักตอกบ้างปลูกผักบ้างรดน้ําพรวดินผักบ้าง ให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยกับกตดผักต้นไม้ของท่านอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าหรือว่าท่านนั่นหลายจ่าเงินค่าสุรามาเช่าที่เล็กๆแล้วก็ซื้อพันผักน้อยๆต่างกำลังเงินสามพันบาทเศษต่อหนึ่งปีเอามาปลูกผักขายหรือปลูดกดกไม้ขายนี่เงินมันจะ ง, งอกมันสามารถจะสร้างความร่ำรวยกับท่านได้ แต่ว่าท่านทั้งหลายเป็นที่น่าเชื่อใจจะพระพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการไม่ถูกใจคนดื่มสุราอาตมาก็ขอให้อาภัยด้วยถ้าพูดให้เข้าใจสาหรับคนที่ท่านไม่ติดสุราคนที่ชอบสุราจริงๆก็ไม่เป็นไรตามใจท่านพระพุทธว่าพระก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี มีหน้าที่แค่แนะนำเท่านั้นแต่การแนะนำวันนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยที่มาว่ากันถึงโทษทั้งการเดิมสุราและเมรัยอีกชั้นหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกชาวบ้านเขาเยยดยามาว่าเราเป็นคนเลวจริงๆแนละ้วคนเดิมสุราเมรัยจะไม่มีศักดิ์ศรีอะไร ใครเขาจะ ค, คบหาสมาคมด้วยก็แค่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นถ้าจะ ค, คบอย่างเป็นมิตรแทร้เนี่หายากบรรดาธรรมพุทธบริษัทอาตามารู้จิตใจคือรู้จักชาวบ้านที่ไม่ดิ่มสุราและไม่ไรถ้าเวลามีความจำเป็นเรื่องจะเป็นยาตายเกิดขึ้นเขาจะไปไปแนะนำและไปหาท่านไปขอร้องท่านพยายามปกติ เขาก็รู men, zept, ้สึกเหยียดหยามบางทีไม่มีความรู Í ้สึกแต่ใจพูดออกมาทางปากตุ Nickel, ่นได้ยินเสมอๆก็รวมความแล้วว่าการดื่มสุราไม่ดีสาหรับชาติปัจจุบันถ้าจะพูดสมรารายพภ์ไอ้ชาติข้างหน้านี่เรามองไม่เห็นจะบอกอานิสงส์ชาติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้ อันนี้สงสัการดื่มสุราก็คือหนึ่งดื่มอยากแบบเบาๆไม่เมาไม่มากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดที่สะบอยๆท้ามากไปนหน่อยจะปวดที่สะเป็นปกติถ้าดื่มสุราปายกลางโทษสุราปายกลางจะเป็นโรคสมบสติถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เรียกว่าดอกเตอร์สุรา ก็จะเป็นโรคบาประโยชน์ให้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฉะนั้นความเมาขอแนะนำไม่เพียงเท่านี้นอกจากเท่านี้แล้วการดื่มสุราดมเมรัยทาได้ทุกอย่างในความชั่วขอแนะนำว่าธรรมดาแท่านพุทธบริษัทท่้นหลายต้องการหนีนรกให้ปฏิบัติในกำหบดสิบระศินตาี่กามาแล้วทั้งหมด แต่ก็ยังไม่หมดบรรดาท่านพระเถริษัตถวันนี้ขอตีควบจะไม่พูดยาวนักต่อไปก็เป็นกโมนดสิบด้านจิตใจด้านจิตใจคือความรู้สึกนี่มีสามอย่างหนึ่งอวิชาเพ่งเลียงอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาคนอื่นมาเป็นของตนตัดข้อนี้ทิ้งไป ถ้าเข้ากระบวนสิบตัดความรู้สึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำบอกจากใจคือเป็นคนที่มีกำลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครมาโดยไม่ชอบทำและก็สองพยาบาทมีการจองล่างจองผายความโกรธนะั้นมีแน่แต่ก็ตัดความโกรธอาจจะมีเพาะเราจะไม่ใช่พระอนาคา ม, มีต้องมี แต่ว่าตต่ความจองล้างจองผ่านออกไปกดหายแล้วก็แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็ขอตีย่ อ, อ ก, กันเพราะแรงไม่ค ด, ดีตอนที่สิบเจ็ดอ๋อโทษตอนที่สิบหกที่ผ่านมา พูดไปพูดมาเกือบหมดแรงเกือบหมดจริงๆเกือบจะไม่จบเรื่องจะไม่จบตอนแต่ตอนนี้พักผ่อนแล้วก็มีแรงบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนักพยาพูดหนักเป็นสัเท่าไหร่ในเวลาสัตเท่าไหร่สําหรับกรรมบุตรสที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรมศีลก็คือว่าศีลทุกข้อที่ผ่านมาแล้ว ฝ่ยธรรมะชัดใช่ก็คือไก่แอมคือมนโนกรรมที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่งไม่พยาบามจองลางจองผานอย่างหนึ่งมีความเห็นถูกตามพระพุทธเจ้าสั่งทรงสั่งสอนอย่างหนึ่งความจริงทานังสามรายการนี้ถ้าอย่างอ่อนก็เป็นพระศีทาคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางกลาง ก็เป็นนาคามีถ้าปฏิบัติได้ดับสูงสุดเป็นอารหันต์เลยธรรมะสามเรืการนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยหนักมากใหญ่มากมีวีคุณมีประโยชน์มากก็มาพูดกันตรงไปตรงมาตีไม่สัน้นว่าการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่มันยังไม่ดียิบออามานี่ทำไมจะต้องมีบาปดหรือ จะลืมว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำลักบ้างขโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบั่งไปต้นอย่างนี้ที่ว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตมันคิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจเรื่องจิตกายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตที่ใจ จิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาว บ, บ้านชอบปวดใจบ า, บางคนก็ชอบปวดจิตเพราะจิตด้วใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเร็วกายก็ทำเร็วแล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเรวถ้าจิตคิดดีกายก็ทำดีวาจาก็พูดดีฉะนั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิด แล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทำจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษนามีแน่การลักการขโมยการยืดอย่งทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโทษที่เพิ่งได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาว บ, บ้านขเขาเกลียดแล้วก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุข โทษในสัมปรายาพบคือชาติหน้าดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาเนคนอื่นโดยไม่ชอบธรำโกงบ้างบวกบ้างอะไรก็ตามหรือว่ายื้อแยงเขามาได้โดยไม่ชอบธรรมก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็อามาจนได้ด้ยเล่ห์เหลี่ยมต่างๆโทษทันทีเพึงได้ในการต่อไปก็คือหนึ่งตั้งใจให้ไฟไม่บ้าน เขาผลันทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไปสองเป็นการตั้งใจให้พาลมพัดบ้านให้บ้านพังสามตั้งใจให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสี่ตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขโมยฉกจริงเบี่ยราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้นโทษคนทิ่นาทานเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราคิดได้ทินาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะโทษก็นิทานิทาทานที่ที่ทำมาอยอดโยนทั้งหลายโดยทุนหน้าเผินทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพราะโทษทินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจีป้ปลุนเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นเรน้นําท่วมบ้านของเสียหายลมพัดในบ้านพังของเสียหาย หรือว่าถูกโจมภัยผลมาจากโทษอธินาทั้งสิน้นอธินาทานทั้งสิน้นเืออธินาทานคือลักขโมยแย่งจีเขาปล่นเขามันมาจากอะไรร่างกายของเราจริงๆมันไม่ต่างกับไม่ซีกและไม่สูงคือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุน่นหุ่นถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้น มันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางกระแขงลงมันก็นอนเอาหัวลงเอาขาขึ้นมันก็หัวลงขาเท้าชาวชีฟาหุ่นมันไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังคับข้อนี้มีมาเช่นใดจิตใจก็คลายคนร่างกายก็มันหุ่นในเมื่อจิตใจบังคับร่างกายมันก็ทำ ถามว่าจิตใจบังคับแบบนั้นตายแล้วจะไปอบัยภูมิได้อย่างไงอย่าลืมว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืออยากจะโกงบ้างอยากจะตีปล้นบ้า ง, บางอยากจะปล้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตมันคิดแรงมากกว่าที่จะพูดต่อไปตัวอย่างที่ยาเพิงเห็นอย่างแท่งโกตุฮริกา ขณะที่นั่งกินข้าวอยู่เธอเป็นคนจนเข้ามาในบ้านเขาหน้านนงหาพอดีท่านก็นหาอดีก็ให้ข้าวที่คนรับใช้กินข้าวที่คนรับใช้กินน่ะมันก็ดีสําหรับท่านผู้นี้อยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้เป็นคนจนเดินลัดป่ามาหลายวันโอ้ยข้าวมานานหลายวันสามสี่วันคนอดตนนานมีความหิวจัดจัดมีความอยากจัดจัด ประเภทนี้แม้แต่ข้าวบูดก็พร้อมจะกินได้แต่บ้านก็หาวันดีดลสเศรษฐีบ้าอาหารคนใช้เนี่ยเขาไม่เลวอย่างเลวที่สุดเขาไอา้มีแกงปลาแกงหมูแกงไก่อาหารประเภทนี้ใช่เป็นของเลวสำหรับมหาเศรษฐีแต่คนจนถือว่าเป็นของดีชั้นเลิศท่านให้อาหารที่แล้วคนรับใช้กิน ว่ให้กินเขาก็กินแบบอร่อยแต่ว่าท่านก็หาบุญดีกับกินข้าวมัทุ ป, ปายาตข้าวแบบนี้มันแพงถนัดใจบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายคนปกติท่าบรรดาอาจจะกินได้อย่างฐาน่ายอตมานี่ถ้าจะกินข้าวมัทุ ป, ปายาตต้องเก็บเงินที่บรรดาแทนพุทธบริษัทเอาไว้เป็นส่วนตัวหลายปีเพราะมนแพงจัด อธิมาก็มีความรู้สึกว่าของที่เขาว่าดีเนี่ยมันไม่สําคัญสําคัญแค่กินอิม่มแต่ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้กินมันต้องเป็นอย่างนั้นและข้าวมาทุก ป, ประยา่าตันนี้ท่านกินแล้วถ้าก็แบ่งให้สุนัขเึ่งเป็นสุนัขตัวเมียมันหมาะอยู่ ใ, ใกล้ๆแบ่งให้กินบ้างท่านก็กินบ้างแบ่งสุนัขกินบ้างโกตัวนี้กะมองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีบุญ เราเป็นคนที่อีกยังไม่กินข้าวมาทุบปา่าญาิแต่เจ้าหมาตัวนี้มันดีทายาิสามารถกินข้าวมาทุบป่าญาิได้เท่ามาหาเศรษฐีขณะนั้นก็ยังมีจิตใจปลื้มปีติยินดีกับสุนัขอยู่เขาก็ขาดใจตายไปในขณะนั้นจิตออกจากร่างของเขาเข้าไปสู่คันของนางสุนักเลยเป็นลูกหมาไป นี่ระบรรดาท่านพุทธริษัททั้งหลายขณะใดาที่มีจิตกังวลอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของท่านก่อนจะออกจากร่างมันจะไปจุดนั้นแล้วก็ตัวอย่างที่ท่านหนึ่งอยงท่านติสสะซึ่งเป็นพระพระองค์นี้แต่มาสงสัยว่าจะเป็นพระอริยเจ้านี่ท่านก็สนใจในจีวนแพรของท่านเหมือนกัน ขณะที่พี่สาวาจิวรนแพรมาให้ท่านชอบใจอยากจะหม่มแต่เวลานั้นมันก็ป่วยหนักไม่สามารถจะห่มได้จิตใจก็มีความข้องใจมีพรามพรามปรานณาอยู่แต่แต่ว่าสาวาก่าพระองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์นี้เคร่งครัดในวระธรรมวินัยมากความจริงผ้าแพรผืนนั้นมันก็ผ้าของท่านเอง เดิมที่เดียวเป็นผ้าเนื้อหยาบให้พี่สาวไปเย็บไปย้อมพี่สาวให้มันหยาบเกินไปได้ทําสืใหม่ดึงได้มาครอใหม่ใจการเสื้ใหม่เสร็จก็นานหน่อยเป็นผ้าเนื้อบางๆเขาเรียกว่าผ้าสาดกผ้าซาเราจริงๆอาตมาไม่รู้จักก็เลยลอดจีวอนแพร่จีวอนใหม่เข้าไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไป เป็นผ้าชั้นดีที่หนึ่งสมัยนั้นท่านก็ชอบท่านคิดอยาเจาะห่มจีวรเสียตัวนั้นแต่มันก็ไม่หายสักทีนอนลุกไม่ขึ้นก็พกดีขนาดที่พี่สาวเอาผ้าจีวรเนื้อดีมาให้ท่านบอกว่านี่เป็นผ้าของฉันพี่ผ้าของฉันเนื้อหยาบพี่หยิบผ้าผิดผ้าเนื้อดีอันนี้ฉันรับไม่ได้พี่สาวก็บอกว่าไม่ใช่มันผ้าของคุณเอง แต่พี่ไปทําให้มันดีขึ้นท่านยิ่งยอมรับรับแล้วก็ไม่ตราจะห่หมลุกไปขึ้นคิดว่าตาหายมีแรงมาไหลจะห่มผ้าเหมือนนั้นในที่สุดท่านก็ตายไปเสียก่อนหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนอยู่ในถ้๊ปของจีวรเลนตัวเล็กๆนิดๆมองเห็นยากเมื่อตายเจ็ดวันก็ตายจากเลนไปเกิดชั้นโดสิต นี่ตะวันดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าถ้าจิตเราคิดประเภทไหนมันได้อย่างนั้นเวลาตายไปตัวไม่ได้ไปจิตไปมันไม่เมื่อท่านหลายอย่างจะได้ทรัพย์สินให้บุคคลอื่นนะเขามาเป็นสมบายข้อตนโดยไม่ชอบทำก็ถือว่าเป็นการคิดอยากให้ไฟไม่บ้านคิดอยากให้ลมพัดบ้านให้บ้านพังทรัพย์สินเสียหาย อยากให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายอยากให้โจรปล้นของท่านลักขโมยปล้นจีเป็นต้นอรันดาแต่พุทธศาสนิกชนก็ เ, เลยไม่ได้พูดถึงคุนกันพูดเทโทษเวลาก็หมดพอ ด, ดีสำหรับตอนนี้ขอุติพเพีแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผ ล, ลจงมีแดรรดาเตมพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี